พธรรมเทศนาของหลวงปู่ขาวอนาระโยวัดถ้ำกองเพลนจังหวัดหนองบัวลาพูเรื่องอริยะซัก มันเจ็บปวดเมื่อนั่งสมาธิพระพุทธเจ้าว่าให้สู้มันมันจึงจะเห็นทุกขเวทนานั่งสมาธิมันเจ็บให้ดูมันมันเกิดมาจากไหนเวทนามันก็เวทนาต่างหากไม่มีตัวเราก็พิจารณาให้รู้เท่านั้นแหละของไม่มีตนมีตัวมันเกิดขึ้นก็เกิดจากร่างกายนี้อย่างหนึ่งแล้วก็มันรู้สึกถึงจิต รู้ถึงกันจิตก็ไปยึดยึดก็เจ็บหนักเข้าไม่สู้มันต้องสู้มันมันจะเห็นพระพุทธเจ้าว่ากำหนดให้รู้ทุกทุกมาจากไหนทุกมาจากเหตุคืออยากเป็นอยากมีความอยากเป็นอยากมีความอยากมันเกิดมาแต่เหตุเหตุมันเกิดมาจากไหนเหตุมาจากความไม่รู้ ไม่รู้เท่ากายจนกระทั่งความคิดทั้งหลายเข้ามามันก็ไม่รู้ทั้งนั้นคือมันโง่เรียกว่าอาวิชชาเป็นเหตุให้สัตว์ผู้ไม่รู้เท่าเกิดความยินดียินร้ายเกิดความพอใจไม่พอใจเกิดความอยากเป็นอยากมีเป็นเหตุให้วนเวียนเรียกว่าสังสารัจจ์วัตถกาเวียนอยู่อย่างนั้น เป็นเหตุให้เราเวียนเกิดเวียนตายอยู่ในภพน้อยภพใหญ่กรรมดีเหมือนพวกคุณหมอก็ดีไม่เจอะทุกข์ปานใดเกิดมาไม่เสียชาติเกิดเป็นมนุษย์มินำได้เกิดมาพบโอวาทคาสอนของพระพุทธเจ้าเกิดมาในปฏิรูปประเทศประเทศอันสมควรคือประเทศมีพระพุทธศาสนาประเทศมีนักปราชญ์อาจารย์เพื่อแนะนาสั่งสอน ประเทศอย่างนี้พระพุทธเจ้าท่านว่าเป็นมงคลพวกท่านทั้งหลายท่านเป็นผู้ไม่ประมาทอัตตสัมมาปนิธิผู้ตั้งตนไว้ในที่ชอบอาชีพเลี้ยงชีพภายนอกดีโดยชอบธรรมโอวาทคำสั่งสอนก็ไม่ประมาททุกสิ่งทุกอย่างมีการจำแนกเจดทานมีการสดับรับฟังแล้วก็ปฏิบัติตาม ดำเนินตามโอวาทคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าธรรมทั้งหลายมีกายกับใจเท่านั้นแหละธรรมทั้งหลายมีใจเป็นหัวหน้าใจที่มันรู้เท่าแล้วก็มีความเหนื่อยหน่ายต่อสิ่งทั้งปวงทางความชั่วมันก็รู้เท่าแล้วมันก็เอาอยู่นั่นแหละประยึดพบน้อยพบใหญ่อยู่นั่นแหละพวกเรายังนับว่าไม่เสียทีแม้ยังไม่มีความเบื่อหน่ายก็ยังเป็นผู้ฉลาด เป็นผู้เอาทรัพสมบัติคืออริยทรัพย์ให้ได้ให้เกิดให้มีอยู่ในหมู่ของตนอยู่ในสันดานของตนสะสมไว้อัตภาพร่างกายเป็นของไม่มีสาระแก่นสารทรัพย์ภายนอกก็ไม่มีสาระแก่นสารชีวิตของพวกเราความเป็นอยู่ก็ไม่มีแก่นสารเรามาพิจารณารู้อย่างนี้แล้วเราเป็นผู้ไม่ประมาท รีบเร่งทำคุณงามความดีประกอบขึ้นรีบเร่งสะสมอริยทรัพย์สินของเราก็บริบูรณ์ไม่มีด่างพ้อยตามภาวะของตนศินหศาสิ น, 5, สนเดี๋ยวนี้พวกท่านกำลังอบรมสมาธิกำลังจะเอาทรัพย์อันนี้เรียกว่าอริยทรัพย์ศินก็เป็นอริยทรัพย์อันหนึ่งสมาธิก็เป็นอริยทรัพย์มันอบรมจิตใจปัญญาก็เป็นอริยทรัพย์ หมั่นอบรมจิตใจเวลาเราเข้าทำสมาธิจงให้มีสติประจำใจกำหนดสติให้แม่นยำรักษาจิตใจของเราให้อยู่กับที่และให้จิตใจปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างกิจการงานของเราเคยทำมาอย่างไรก็ดีเวลาเข้าที่ให้ปล่อยวางให้หมดความรักความชังอดีตอนาคตวางปล่อยวาง ไม่ให้เอาใจใส่เรื่องนั้นๆให้มีสติประจำไม่ให้มันไปตามอารมณ์เหล่านั้นคันควบคุมสติได้แล้วจิตมันอยู่คงที่แล้วอยู่กับกายของตนแล้วให้มันเห็นกายของตนนั่นแหละสิ่งอื่นอย่าให้มันมาเป็นอารมณ์ของใจคันจะเพ่งเอาอารมณ์ก็ต้องเพ่งเอาอัตภาพสกลกายของตนนี้ให้มันเห็นมันกรรมฐ า, านห้า ผมขนเล็บฟันหนังพระพุทธเจ้าแจากไว้หมดแล้วไม่ใ ช, คใ ช, คมมใชค่คนไม่ใช่คนแต่ไปยึดถือมันผมไม่ใช่คนขนไม่ใช่คนเล็บไม่ใช่คนเราจะมาถือว่าตัวว่าตนอย่างไรละ่ะฟันก็ไม่ใช่คนฟันมันต้องเจ็บต้องคอนต้องโยกต้องหลุดอันนี้มันไม่ใช่ของใคร สิ่งเหล่านี้เป็นของกลางสำหรับให้เราใช้เราต้องหมายเอาใจไว้เสียก่อนแท้ที่ถึงใจก็ไม่ใช่ของเราอีกนั่นแหละถ้าใจเป็นของเราแล้วเราบอกเราบังคับคงจะได้อันนี้ไม่อยู่ในบังคับบัญชาของใครแล้วแต่มันจะไปถึงข่าวมันจะเป็นมันถือกำเนิดขึ้นมันยังไงมันก็ไม่ฟังจะตีมันก็ไม่ฟังอีกแหละ พราะเหตุนั้นมันจึงไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนเราต้องรู้เท่ามันเวลาเราภาวนาอย่าให้มีอะไรเข้ามาเป็นอารมณ์นอกจากสังขารตัวนี้แล้วก็ให้เห็นเป็นอนิจจังใหเห็นไตรักผมขนเล็บหนังฟันกระดูกเห็นเป็นไตรักแล้วก็ให้เห็นเป็นปฏิกูลสัญญาของโศกโคกหน้าเกียด ให้เห็นมันเป็นอนัตตาไม่ใช่เราแล้วก็ไม่ใช่จริงๆผมขนเล็บหนังฟันกระดูกไตหัวใจตับม้ามพังผืด อ, อาหารใหม่อาหารเก่ามันไม่ใช่เราทั้งนั้นถ้าแจกออกไปไม่ต้องไปยึดถือนะไม่ใช่นะพระพุทธเจ้าว่าเรายังประยุทธ์ถือว่าผมของเรา ผลของเราเล็บของเราฟันของเราอันนั้นแหละห้ามบางทีจิตของเราใจของเราถูกกับอันหนึ่งอันใดก็เอาอันเดียวเท่านั้นแหละพระพุทธเจ้าแจกไว้แต่ว่าจริตของคนนิสัยของคนมันถูกอันไหนก็เอาอันนั้นแหละจิตมันหยุดจิตมันสงบกับพุทธโธจิตใสกับพุทธโธมันก็อยู่กับพุทธโธ อาตมามันถูกกับพุโทโธตั้งใจเอาไว้ปล่อยทุกสิ่งทุกอย่างกําหนดเอาสติรักษาใจไว้เอาพุโทโธไม่เพอสติให้เห็นพุโทโธตั้งอยู่กลางใจนี้ไม่สบายเลยหายอาตมานิสัยถูกกับพุโทโธบริกรรมอัติกระดูกบางครั้งมันก็ถูกถูกมันก็ปรากฏเห็นกระดูกหมดทั้งสกลกาย พระพุทธเจ้าต้องการให้จิตมันเห็นจิตมันไม่เห็นให้บริกรรมให้เห็นต้องการให้มันเบื่อหน่ายให้มันเห็นว่าไม่ใช่ตนสิ่งเหล่านี้ธาตุทั้ง18ปก็ดีล้วนตกอยู่ในไตรลักษณ์ทั้งนั้นอายตนะก็ดีตกอยู่ในไตรลักษณ์หมดทั้งนั้นเรามาสำคัญว่าหูว่าจมูกว่าตาว่าลิ้นว่ากายว่าใจเป็นของเรา เป็นเหตุให้ยึดมั่นถือมั่นนั่งก็ให้มีความเจ็บเจ็บบั้นเอวปวดรั้งปวดเอวปวดคาอะไรนั้นสมาธิก็ต้องออกท่านจึงให้สู้มันไม่ต้องหลบมันเราจะสู้ข่าศึกก็ต้องอย่างนั้นแหละต้องมีคันติความอดความทนทนสู้กับความเจ็บปวดทุกขเวทนาดูมันจิตมันถูกอันใดอันหนึง่ง เมื่อเราสกัดกัน้นไม่ให้มันแส่ายไปตามอารมณ์ภายนอกมีรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสเป็นต้นเรียกว่ากามคุณห้าไม่ให้ไปจดจ่ออยู่กับสิ่งเหล่านั้นแล้วมันจะอยู่ที่มันก็ว่างอารมณ์ไม่มีอารมณ์เข้ามาคุกคีดวงจิตแล้วจิตตั้งมั่นเรียกว่าจิตว่างไม่มีอะไรมาพุกผ่าน เหมือนกันกับน้ําในขันหรือน้ําอยู่ที่ไหนก็ตามเมื่อมันไม่กระเพื่อมแล้วมันนิ่งก็เห็นสิ่งทั้งป่วงอยู่ในก้นขันต้องเห็นเห็นอันนี้เห็นแล้วเราต้องสละปล่อยวางมันจะเห็นโลภะโทสะโมหะราคะเรามีเราจะได้พยายามละถอนสิ่งเหล่านี้ออกปล่อยจิตว่างแล้วจิตสบายเพราะจิตเป็นหนึ่งไม่ขุนมัว เพราะไม่มีอารมณ์มาฉาบชาดวงจิตแล้วดวงจิตใสดวงจิตขาวจิตก็เย็นมีแต่ความสบายมีความสุขรู้เท่าสังขารรู้เท่าสิ่งทั้งปวงรู้เท่าความเป็นจริงแล้วเกิดอันใดอันหนึ่งก็ดีหรือไม่ก็ครบรอบก็ดีเมื่อพิจารณาอันใดอันหนึ่งแล้วจิตของเราไม่มีความาวันไหวต่อสิ่งทั้งปวงถึงมรณะจะมาถึงก็ตาม ทุกขเวทนาเจ็บปวดจะมาถึงก็ตามไม่มีความหวั่นไหวต่อสิ่งเหล่านั้นเมื่อรู้เท่าตามความเป็นจริงแล้วความติฉินนินทาก็ตามไม่มีความหวั่นไหวต่อสิ่งเหล่านั้นเสื่อมราบ ก, ก็ตามเสื่อมยศก็ตามเสื่อมความสรรเสริญรักชอบก็ตามไม่เอาใจใส่เอามาเป็นอารมณ์มันก็มีความสุขเท่านั้น จะหาความสุขใส่ตนก็มีแต่ฝึกฝนทรมานตนนั่นแหละพระพุทธเจ้าท่านว่าสจิตตปริโยธาปานังเอตังพุทธานะศาสนังให้ทรมานจิตฟอกฝนจิตของเราฝนจิตให้มันว่างให้มันรู้เท่าความเป็นจริงไม่ยึดมั่นถือมั่นจิตนั่นและจะทำประโยชน์มาให้ในชาตินี้ คือ น, นำความสุขคืนลิปพานมาให้หรือจิตเรายังไม่พ้นก็จะนำสวรรค์มาให้นำเอาความสุขมาให้ตราบเท่าตลอดเวลาตราบเท่าชีวิตแล้วมีสุขติโลกสวรรค์เป็นที่ไป